เหตุผลต่อไปทําไมแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะทําไมเพราะอะไรทําไมจึงแสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะว่าความสําเร็จแห่งสัจจะก็มีด้วยอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่าอย่างไงอธิษฐานไปดูในหน้าห้าร้อยห้าหกเนี่ยนะใช่ไหมย่อหน้าล่างสุดเลยหน้าห้าร้้าย่อหน้าล่างสุดบอกว่า อธิษฐานว่าไงอธิษฐานว่าจะทํากุศลอธิษฐานสมาทานในการสร้างบารมีทั้งหลายอธิษฐานคือการสมาทานสร้างกุศลสมาทานในการสร้างบารมีทั้งสิบสมาทานยึดถือในธรรมที่เป็นอุปการะหรือสมาทานข้อปฏิบัติแบบไม่กลับกรอกทีนี้ย้อนกลับมาว่าคนที่มีสัจจายานะสัจจาก็เนื่องจากตั้งความปรารถนาะคืออธิษฐานไว้เป็นอย่างดี อธิษฐานอย่าลืมว่าอัธยาศัยในการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีแต่วิเศษภากยะวิเศษภากยะแปลว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพโดยที่ไม่มีคําว่าลดลงต่อไปที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะเพราะการงดเว้นย่อมสําเร็จแก่ผู้ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวอธิษฐานคือการตั้งใจใช่ไหม อันนี้หมายถึงวิรติสัจจะสัจจะมีหลายอย่างนั้นที่กล่าวไปว่าอั น, นี้การงดเว้นการงดเว้นตัวนี้เป็นอะไรวิรติสัจจะวิรติสัจจะคือการงดเว้นจากความชั่วนี่ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเหมือนกันการงดเว้นจากความชั่วเรียกว่าวิรติสัจจะการงดเว้นอันนี้เนี่ยนะที่ทำได้อย่างนี้ก็เพราะอธิษฐานตั้งใจมั่นอย่างไม่หวัน่นไหวอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านรักษาศีลได้ยาวเพราะอะไรอย่าเช่นชาติที่เป็นนาคเนี่ยนะ เพราะแค่โกรธลืมตาแล้วเขาตาย น, นะแค่โกรธลืมตาด้วยความโกรธแค่นั้นนะ่ยผลเนี่ยนะเผาพิรุษหมดเลยที่ท่านตั้งใจได้แล้วก็งดเวรคนที่มาทําร้ายท่านไม่ตายก็เพราะท่านมีใจตั้งมัน่นดังนั้นการงดเวรเรียกว่าวิรติสัจจะวิรติสัจจะอยู่ได้ก็เพราะการตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเพราะนั้นอธิษฐานนั้นจึงสําคัญมากต่อสัจจะก็เลยแสดงอธิษฐานต่อจาก สัจจะเหตุผลต่อไปที่แสดงอธิษฐานต่อจากสักจจะก็เพราะกล่าวคำพูดไม่ให้ผิดจากความจริงแล้วก็กล่าวถึงความไม่หวนไหวในการกล่าวคำไม่ผิดตามความเป็นจริงนั้นจริงอยู่ผู้ไว้ใจได้ไม่หวนไหวประพฤติตามสมควรแก่ปฏิญญาในการให้ทานเป็นต้นอันนี้หมายถึงสัจจวาจาผู้ที่มีสัจจะวาจาเนี่ยนะ พูดจริงแล้วก็ตั้งใจมั่นบางคนเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยใช่ไหมประมาณนี้ได้ยินประจําพูดไปเรื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะมาให้นู้นเดี๋ยวจะให้นี้สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนนึกขำนะสมัยเป็นเนนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะเงียบมากอยู่ในป่าเ้าก็โยงเข้ามาเยี่ยมเรื่อยนะอย่กลุ่มนั้นมาเดี๋ยวจะเอาอันนั้นมาให้แล้วก็จากไปเพรามาแล้วก็นึกนะใครพูดนะเมามาขำจะตายมันพูดไปเรื่อยไม่รู้พูดทำไมก็ไมรู้พูดให้พันตากตัวเองไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้พูดทำไมก็ไมู่้พดดแลวกไ่่่่่ทําาหออตเเืยยนี รับปากง่ายๆคล้ายๆแบบนั้นแหละอันนั้นอะเรียกว่าไม่มีสัจจะวาจาเพราะ<ฮ>เราดูจากใจแล้วอ่ะอันนดูจากสังเกตสีหน้าเป็นต้นแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําจริงอะไรรอกเนี่ยนะแต่ก็พูดไปเรื่อยบางคนเนี่ยพูดพูดจริงแต่ว่าไม่มีความตั้งใจเลยพูดแบบเลื่อนลอยบางคนนะตอนตอนพูดก็พูดจริงเหมือนกันนะเออเตี๋ยวจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําจริงๆอะไรเพราะผลเหตุผลตรงนี้ที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะบอกว่าพูดจริงแต่พูดจริงแบบ ตั้งใจจริงๆไม่ใช่พูดจริงแบบคนไม่ตั้งใจสังเกตจากอะไรพูดจริงแต่ไม่ตั้งใจเนี่ยดูสมาทานศีลเลื่อนลอยเคยไหมอานาธิปาตาเวรมณีก็ใจก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะพูดจริงแต่ว่าเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยก็ เ, เพราะไม่มีอธิษฐานเนี่ยนะสวดมนต์ก็เหมือนงากระหังพูดทางนามสามีกราบแต่คิดถึงที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ก็พูดจริงนะทำจริงแต่ก็ใจเลื่อนลอยเพราะไม่มี อธิษฐานเนี่ยนะรัอธิษฐานนั่นจึงสำคัญสังเกตดูเวลาให้ทานบางทีก็ให้แบบพูดจริงให้จริงอะ่ะแต่ว่าใจนี่เลื่อนลอยส่วนมนุย์ไหว้พระเนี่ยทำจริงอะ่ะแต่ว่าใจเลื่อนลอยและอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าผู้ที่ตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยนะคนที่มีอธิษฐานจริงเนี่ยจะ ทำอย่างที่ตัวเองว่าไว้ทั้งหมดนะนะเช่นว่าไว้ว่าตัวเองจะให้ทานก็ให้จริงจะรักษาก็จะรักษาศีลก็รักษาจริง น, นะไม่ใช่ว่าโอ้ยพูดไปเรื่อยแต่วงการสายพระเนี่ยนะที่ ท, ที่ที่ในคัมภีร์ที่ภาษาริบุตรก็ถามว่าทําไมเนาะบางคนนี่เวลาคาขายก็ขาดทุนขาดทุนลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ถอนทุนคืนได้หมดเลย น, นะตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีกําไรตามสมควร อีกคนหนึ่งลงทุนนิดเดียวแต่กําไรท่วมมหาศาลเนี่ยเพราะอะไรถามพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกันไปปวารณาไว้กับสมณะพรามก็ปวารณาไว้ห ล, ลอกหลอกกันนะก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะพว่นี้ลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดด้วยกรรมอันนั้นอะ่ะก็คือพูดแล้วก็แบบอะไรนะพูดพูดไมได่ตั้งใจพูดอะไรพูดมูสาวาทแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่ตัวเองพูดอะไรก็เป็นเหตุว่าพอลงทุนทําอะไรเจ๊งทุกทีเลยนะ แล้วก็นิสัยก็ชอบเป็นแบบนั้นด้วยนะใครที่เจ๊งๆแล้วเราไปดูนิสัยเนี่ยชอบพูดอะไรไปเรื่อยใส่แล้วก็ไม่ได้ทําหรอกก็บอกเออกรรมมันก็ยุติธรรมจริงๆแล้วบางคนเนี่ยนะพูดจริงทําจริงทําตามที่พูดทุกประการก็แสดงว่าลงทุนเท่าไหร่ก็กําไรตามที่ตัวเองคาดหวังทุกประการส่วนบางคนเนี่ยนะเออตากไว้นิดเดียวจริงแต่ว่าตอนทําก็ทําค่อนข้างมากมายพวกนี้เวลาทําเหตุอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ ได้เกินคาดมากมายเนี่ยนะประวัติทาอะไรได้ผลเกินคาดหมดเลยที่จริงคาดไว้แค่เล็ ก, ลกๆน้อยๆเท่านัน้นแหละแต่ว่าให้ผลเกินคาดเพันธ์ก็การตั้งใจการพูดอะไรออกไปนั้นมีผลสําคัญมากต่อชีวิตเราเราอย่าไปคิดนะว่าบางทีเนี่ยนะชีวิตของเราอับเฉาเพราะคําไม่กี่คําเพราะนั้นใคร่ครวนเสียก่อนแล้วค่อยพูดดีที่สุดแล้วอะไรก็ตามโดยเฉพาะวงการคนมีศีลด้วยเนี่ยนะวงการนักบวชวงการ พระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยสัมมาวาจานี่ถือว่าให้ให้ระวังที่สุดจะพูดอะไรก็ไม่งั้นเนี่ยโหเสียหายมากเสียหายแค่ไหนะนะล่มจมพินาฏเลยสิเสียหายถึงขนาดพินาฏเลยเนี่ยต่อไปในอนาคตพินาฏได้เนี่ยก็เพราะคํานี่แหละในโลกนี้ไม่มีใครสาบเราได้เก่งเท่ากับเราสาบตัวเองเหรอกมันคําพูดที่เราพูดเนี่ยนะจะเป็นพรแก่ตัวเองก็ได้จะเป็นคําสาบตัวเองก็ได้ พูดไปเถอะเนี่ยนะสัจจะเนี่ยนะถ้าสัจจะถ้าคําพูดแบบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยให้พรตัวเองอย่างประเสริฐแต่ถ้าพูดไม่นี่ก็โอ้โหสาปแช่งตัวเองอย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยต่อไปบอกว่าที่แสดงอธิษฐานต่อจากสัจจะก็เพราะกล่าวญาณสัจจะแล้วจึงกล่าวการเพ่งทำ เ, เพ่งความเป็นไปแห่งสัมภาระทั้งหลายจริงอยู่ผู้มีญาณตามเป็นจริงย่อมอธิษฐานโพธิสมภารและยังโพธิสมภาร น, นั้นให้สําเร็จ ตัวยานสัจจะเนี่ยนะสัจจะตัวนี้หมายถึงยานสัจจะยานสัจจะนั้นเป็นการเพ่งเป็นการไข้ครวนพิจารณาละเอียดทีท่วนว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการบรรลุมรรคผลอะไรเป็นอุปการะแต่การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ายานสัจจะนี้ไข้ครวนพิจารณารอบคอบทีท่วนละเอียดทั้งหมดรู้เลยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรลุมรรคผลพอรู้คุณธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลแล้วทาไงต่อไป ก็อธิษฐานในโพธิสมภารอธิษฐานในสัมภาระอธิษฐานต่อองค์ประกอบอธิษฐานที่จะประพฤติปฏิบัติเครื่องปรุงแต่งการตรัสรู้ทั้งหมด น, นะอธิษฐานการปรุงแต่งเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาตามความเป็นจริงก็อธิฐานได้หมดเลยอย่างสมมติถ้าใครรู้ข้อปฏิบัตินะรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้อย่างไรเข้าใจว่าสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทําให้แจ้งอย่างไรโพธิปัจจะธรรมจะต้องเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างไรจรึงแต่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็มีการอธิษฐานปฏิบัติไปตามนั้นอย่างครบถ้วนนั้นก็เลยแสดงอธิฐานต่อจากสัจจะเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิษฐานต่อจากญาณะสัจจะ อีกเหตุผลหนึ่งต่อไปว่าทําไมจึงแสดงเมตตาในลําดับต่อจากอธิษฐานที่แสดงอธิษฐานจบอธิษฐานก็ต่อด้วยเมตตาใช่ไหมก็เพราะความสําเร็จแห่งอธิษฐานด้วยการสมาทานทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยเมตตาการอธิษฐานจริงๆไม่ใช่อธิษฐานแบบอะไรนะธรณีนี้เป็นพยานเสร็จแล้วก็ต้องเอาเลือดมาล้างอะไรนะเอามับูชายันเป็นพยานให้ด้วยนะอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้น นั้นการอธิษฐานจริงๆเนี่ยอธิษฐานที่ดีที่ถูกต้องก็อธิษฐานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอธิษฐานว่าทําอย่างไรอนัสสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นโภคท้ศัพท์และอริยสัพทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้ อ, อธิษฐานเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายประสบในโภคท้ศัพท์และอริยสัพย์เพิ่มภูณัยคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายได้รับประโยชน์ทั้งสามนะทำอย่างอธิษฐานอย่างไรที่จะให้ สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนะนะเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้เพื่อประโยชน์แก่การทําให้แจ้งมรรคผลนิพพานเพราะการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นอธิษฐานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปเหตุผลที่แสดงเมตตาต่อจากอธิษฐานก็เพราะกล่าวถึงอธิษฐานแล้วกล่าวถึงการนําประโยชน์เข้าไปให้สมาทานเสร็จแล้วก็ ภาคเพียร น, นาประโยชน์นําความสุขไปให้แก่สรัรพพสัตว์ทั้งหลายเพราะตัวเองตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วเมื่อตั้งใจไว้แล้วก็เที่ยวนําประโยชน์นําความสุขไปให้แก่เหล่าสรัรพพะสัตว์ทั้งหลายทําให้สรัรพพสัตว์ได้ประสบความสุขและความเจริญที่กล่าวเมตตาต่อจากอธิษฐานก็เพราะผู้ดํารงมั่นในโพธิสมภารจะมีปกติอยู่ด้วยเมตตาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยปกติแล้วถือว่าดํารงอยู่ด้วย เมตตาเนี่ยนะอย่างในพรมนารฏกะสปะชาดกเนี่ยนะท่านก็เป็นพรมจริงอยู่แต่ว่าปกตินี่ตรวจ ด, ดูสัพพสัตวเจริญเมตตาไปในสรัรพสัตทําอย่างไรเนสาสัพพสัตว์ทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขและความเจริญมีอะไรที่จะช่วยให้สัตว์นั้นประสบความสุขความเจริญได้ไหมเป็นต้นเพราะการดํารงมั่นอธิษฐานเพื่อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอ่ะมีปกติเป็นคนที่มีความคิดน้อมว่าทํำฉนัยสัตว์อื่นจะประสบความสุขและ เจริญท่านชีวิตของพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่ได้เป็นชีวิตเพื่อตนถ้าชีวิตเพื่อตนเนี่ยนะก็เมื่อเสีอสงไขยที่แล้วใช่ไหมแต่ตลอดระยะเวลาที่อธิษฐานแม้แต่จะประสบความทุกข์ปานใดก็ตามแต่ก็เป็นการทําเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์อื่นะะนั้นการดํารงมั่นในคุณธรรมคือบารมีทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเพรา ะ, ะท่านมีปกติอยู่ด้วย เมตาน้อมนาประโยชน์และความสุขไปให้สรรพสัตว์อยู่เสมอที่กล่าวเมตตาต่อจากอธิษฐานอีกก็เพราะเป็นผู้มีอธิษฐานไม่หวั่นไหวยังสมาทานให้เจริญด้วยการไม่ทําลายสมาทานให้เจริญตัวนั้นแหละแปลว่าเมตตาอธิษฐานไว้แล้วก็เพิ่มพูนสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานนั่นแหละให้มันเจริญงอกเงยงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะคําว่าเมตตาเนี่ยเมตตาต่อผู้อื่นอย่างเดียวใช่ไหม บอกไม่เมตตาต่อตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยตั้งใจอธิษฐานในการเจริญกุศลแล้วต้องการเพิ่มพูนกุศลเหล่านั้นไหมก็ยังคุณธรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโตยิ่งๆิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเมื่อตัวเองอธิษฐานแล้วว่าจะเจริญคุณธรรมมีการให้ทานมีการรักษาศรรีลนะอบรมเนคขมมะเจริญเนคขมมะเจริญปัญญาเนี่ยนะก็เมตตาต่อตัวเองเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านั้นให้แก่ตัวเองเพราะบางคนเนี่ยนะเมตตานคนอื่นแต่ว่าขาดเมตตาต่อ ตัวเองเนี่ยนะพอเวลาทาอะไรก็ร้อนเราเล่ามาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะขาดเมตตาต่อตัวเองผู้ที่มีเมตตาที่แท้จริงเมตตาถูกต้องนั้นเมตตาตนฉันใดเมตตาผู้อื่นฉันนั้นเมตตาผู้อื่นฉันใดเมตตาต่อตนฉันนั้นเนี่ยนะก็มีตนเป็นพยานแห่งเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาต่อผู้อื่นเอาตนเป็นพยานนะเมตตาผู้อื่นเท่าไหร่เท่าตนเมตตาตนเท่าไหร่ก็ไมเท่ากับเมตตาแก่ผู้อื่นนั่นแหละ สามารถที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาเพิ่มพูนทั้งโภกทรัพย์และอริยทรัพย์เน่ยนะเพิ่มพูนเมตตาอยู่อย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะธาชาติที่ท่านไม่ได้บวชไม่ใช่ว่าท่านไม่สะสมโภกทรัพย์นะท่านก็สะสมที่ ท, ที่ที่เราอ่านผ่านมาแค่ก่อนโน้นบอกว่าเราจะไม่สั่งสมโภกทรัพย์ก็หาไม่แต่เราก็ให้โภกทรัพย์เหล่านั้นอนะ่ะเป็นทานเพื่อเหตุแห่งโพธิญาณเนี่ยนะเพื่อเหตุแห่งโพธิญาณ เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาใช่ไหมเมื่อที่ฐานในบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพิ่มพูนในคุณงามความดีสุดท้ายสุดท้ายหมายว่าอุเบกขาต่อจากเมตตาว่าทําไมจึงแสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะความบริสุทธิ์แห่งเมตตานี้อยู่ด้วยอุเบกขา ดังที่กล่าวเนี่ยนะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอลักษณะของเมตตาที่เมตตาสมบูรณ์เมตตาที่แท้จริงนั้นเนี่ยนะจะต้องทําแบบไม่หวังอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นการหวังประโยชน์หวังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเขามาเคยได้ยินนะบางคนปลูกต้นไม้บอกทํำไมคุณขยันปลูกต้นไม้จังเลยก็บอกว่าต้องการให้ออกซิเจนแก่โลกแค่นั้นเอง หรือสัตว์มาได้นั่งร่มเงาเขาก็สบายใจแล้วไม่จําเป็นต้องรู้จักว่าใครมามานั่งร่มเงาอันนั้นไม่จําเป็นต้องรู้จักสรุปว่าไม่จําเป็นจะต้องมีชื่อมีอะไรมาติดมาประกาศมาไม่จําเป็นจริงๆเรียกว่าเป็นคนที่แทบไม่สนใจเลยสรุปว่าเขาได้รับประโยชน์และความสุขก็ถือว่าใช้ได้แล้วประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการแล้วเพรา ะ, ะนั้นเมตตาแบบนี้เนี่ยนะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ใจที่แท้จริง นะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ใจลักษณะปิดทองหลังพระนะช่วยเหลือคุณงามความดีให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเอ่ยชื่อเราเนี่ยนะเอ่ยชื่อเราหรือไม่จําเป็นจะต้องมีเราถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์และเกื้อกูลอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีเราไหมถ้ามีเราเมื่อไหร่ก็ขาดอุเบกขาแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยถ้าขาดอุเบกขาอย่างว่าบางทีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมิ่นเหยียดยาม ที่ทําเพื่อคนอื่นอยู่ทุกวันก็เพราะเห็นแก่อามิตรสินจ้างอนนอย่างเช่นบางคนที่ได้รับคําคอรหาบอกที่แสดงทำอยู่ได้ทุกวันก็เพราะเห็นแก่ลาบและสักการะเนี่ยนะเห็นแก่ลาบส ก, การะนั่นแหละจึงสอนจึงบรรยายอยู่นั่นแหละว่า ง, งั้นที่ทําทนทำอยู่ก็เพราะเห็นแก่ลาบส ก, การะนั่นแหละว่า ง, งั้นเพราะจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ถ้าหากว่ามีอุเบกขาบอกว่าอะไรก็ช่างเถอะ น, นะนะก็ไม่ได้ถือว่ามาเป็นเป็นประเด็นหลักอะไรเนี่ยนะก็ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปอยู่แล้ว พันผู้ที่มีเมตตาเนี่ยนะผู้ที่มีเมตตาทําเพื่อประโยชน์ความสุขแก่คนอื่นนั้นก็อยู่ด้วยอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยนะขณะเดียวกันนั้นผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะแล้วที่แสดงอุเบกขาต่อมาก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นการเรียกว่าออยเยือ่อจริงออยตัวนั้นมาจากคำภาษาเขมรนะออยแปลว่าให้อ น, นะออยออยเยือนี่ยนะก็ภาษาไทยเรียกอะไรนะ ออยเห อ, ออยก็แปลว่าให้ออยเยืะก็แปลให้เหยื่อนั่นเองอ น, นะแล้วก็การให้ไม่ใช่เป็นเลขกลเนี่ยนะเป็นเลขเหลี่ยมเป็นเลขกระเทมไม่ใช่เพราะให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันการให้เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเป็นการให้เสร็จแล้วกุวเบกขาอยู่ได้ท่านบอกว่าอย่างเอ่อเมตตาของพ่อแม่ส่งเสียลูกจนประสบความสุขความเจริญจนเต็มเปี่ยมเสร็จแล้วลูกก็แยกไปอยู่ต่างหากก็ไปอยู่ดีมีสุขกันแล้วกันโดยที่เรียกว่า ก็อ้าเขาลูกอยู่ดีมีสุขแล้ววางใจแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าสบายใจแล้วเมื่อลูกเขามีความเจริญตัวเองก็อุเบกขาก็อยู่ตามเรื่องตามราวของเราลูกเขาสบายแล้วตัวเองก็มีความสุขก็ดีใจที่เขาสบายแต่ก็อยู่ด้วยอุเบกขาเพราะเขามีความสุขความเจริญอย่างนั้นก็เลยแสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาเหตุผลต่อไปที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงการนาประโยชน์ ในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กล่าวถึงการไม่สนใจในโทษคือความผิดของผู้นั้นคือบางช่วงเนี่ยนะอย่างที่ว่าระหว่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเนี่ยนะอย่างสมมติะอย่างพ่อแม่ที่ที่แบบมีเมตตาต่อลูกช่วยสงสีรลูกให้เล่าเรียนให้ศึกษาให้ศิลปะวิทยาฐานะช่วยเหลือทรัพย์สินเนี่ยถามว่าลูกเคยอุจราระปัสวะรถไหม<_><_>เคยเคยหยิกเคยขวนไหมเค ย, เค ย, เคยแลวเอามาคิดไหม ไม่เคยเอามาคิดทำไมไม่เอามาคิดนั่นแหละถือว่าเป็นอุเบกขาลักษณะไม่เก็บเอามาถือโทษเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะาก็พ่อแม่บางคนเนี่ยเคี่ยนลูกเนี่ยนะลูกดา่าซะจนลูกบางคนนี่ด่าเก่งจริงเลยด่าพ่อด่าแม่นี่แหละเสร็จแล้วก็พอเข้าไปก็ไม่ได้เก็บเอามาถือโทษมาโกรธมาเคืองไม่มาลำเลิกไม่มาอะไรสากอย่างอันนี้ถือว่าไม่สนใจในความผิดของ สัพพะสาตว์เหล่านั้นไม่สนใจต่อความเลวเหล่านั้นเขาจะผิดเขาจะพลาดบ้างก็ไม่เก็บเอามาไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยนะไม่เก็บเอามาคิดเพราะทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่เขาเมื่อเป็นประโยชน์แก่เขาก็ถือว่า ด, ดีแล้วนะต่อไปเหตุผลที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงเมตตาภาวนาแล้วกล่าวถึงความเจริญอันเป็นผลของเมตตาภาวนานั้นที่สุดของการเจริญเมตตาต้องต่อยอดด้วยอุเบกขาเพราะเมตตาเนี่ยนะเมตนานี้เจริญได้ชามที่เท่าไหร่ เมตตาเนี่ยเจริญเต็มที่เลยได้ฌานที่สามได้ฌานที่สามเนี่ยนะได้ฌานที่สมไม่ถึงฌานที่สี่จะตุ ก, กันในเนี่ยนะเมตตาเนี่ยได้เพราะไม่สามารถจะละสุขได้เมตตาจะต้องเกิดร่วมกับสุขเนี่ยนะได้ไม่เกินฌานที่สามตัทยาฌานเท่านั้นแต่ถ้าจะเจริญให้ได้ฌานสี่ต้องเจริญอุเบกขาพรหมนิหารต่อไปนะเพราะฉนั้นผลของการเจริญเมตตาที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่จะได้ฌานสี่จริงๆต้องอยู่ด้วย อุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขาต้องเจริญอุเบกขาพันจุดจบที่สุดของการผู้มีเมตตาที่แท้จริงต้องมีอุเบกขาเพราะันถ้าไม่อย่างนั้นก็เข้าไปพัวพันนี่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นต่อไปที่แสดงอุเบกขาต่อจากเมตตาก็เพราะกล่าวถึงความเป็นคุณอันน่าอัศจรรย์ว่าผู้วางเฉยแม้ในสัตว์ผู้ใคร่ประโยชน์ปกติเนี่ยนะปกตินี่การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จะถือว่าได้รับการตอบแทนใช่ไหมจะได้รับ อ, อุปการะได้รับอะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นก็วางเฉยแม้กระทั่งผู้ที่คร่าประโยชน์จะกล่าวไปใยญยถึงผู้ที่เกลียดชังอ่ะนะขนาดผู้ค่าประโยชน์ผู้เพิ่มภูนประโยชน์ยังวางใจได้ยังทั่วไปเขาบอกว่ายังละทิ้งลาบสการะได้นะยังละทิ้งลาบสการะยังวางเฉยในลาบสการะที่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนามาให้ พันธอันนี้แหละเป็นความน่าอัศจรรย์ถือว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์เพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าอะไรคือลำดับของบารมีเหล่านั้นทําไมจึงศีลต่อจากทานเนคขัมมะต่อจากศีลปัญญาต่อจากเนคขัมมะวิริยะต่อจากปัญญาขันติต่อจากวิริยะสัจจะต่อจากขันติอธิษฐานต่อจากสัจจะเมตตาต่อจาก อธิษฐานอุเบกขาต่อจากเมตตาเนี่ยนะก็เป็นไปโดยลำดับแล้วคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าการสร้างบารมีทั้งสิบเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนก่ออิดก่ออิฐสร้างโลกให้เป็นเจดีย์ทั้งหมดนะเอาโลกทั้งโลกมาปั้นเป็นก้อนอิฐแล้วมาเรียงสร้างเป็นองค์เจดีย์กว่าจะประสบความสำเร็จ เป็นที่สักการะเคารพ บ, บูชาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหนมันก่อร่างสร้างตัวบ่มบารมีจะช่วยเสริมกันเองอยู่นั่นตลอดเวลาแปลว่าบารมีแต่และบารมีช่วยเพิ่มกำไรให้แก่ตัวเองช่วยเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพช่วยปกปักรักษาแต่การจัดแจงเหล่านี้ด้วยอนุภาพของปัญญาที่ ท, ที่ที่ทำไมต้องขยันขนาดนั้นทําไมขยันอะไรมากมายขนาดนั้นก็เพราะมีใจกรุณาต่อสัพพะสาทั้งหลายปรารถนาที่จะให้สัพพะสาทั้งหลาย พ้นจากความทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะส่วนลัคนาที่จตุกะของบารมีนี่ก็คงเป็นครั้งต่อๆไปเช่นตอนสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอโนโมทนาด้วยนะ